เทเยสัทธะสมุทฐาน266ยสเทยสัทธะ ส, สิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรอุปัตสุติสิกขาบทว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทะเลาะกันสูปะวิญญาปณ ะ, ะสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอแกงและข้าวสุก รัติสิกขาบทว่าด้วยการสนทนากับชายในเวลาค่ำคืนช น, นะสิกขาบทว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังโอกาสะสิกขาบทว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในที่แจ้งพยูหะสิกขาบท ว่าโดยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในตรอกตันสิกขาบทเหล่านี้รวมเป็นเจ็ดสิกขาบทเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาเกิดทางทวารทั้งสาสิกขาบทเหล่านี้มีสองสมุดฐานพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ได้ทรงแสดงนไว้ เหมือนเถะสัท ธ, ธสมุดฐานเถะสัท ธ, ธสมุทฐานจบ